เพรพระอุมาภาคสามตอนมงกุฎไพรบทประพันธ์ของพนมเทียนอ่านโดยมณีรัตน์อัศวิสราพรฉันดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วที่ได้เห็นเธอชัดตาถึงขนาดนี้ทำไมเธอจะคงสภาพให้ฉันได้เห็นและเป็นเพื่อนอยู่กับฉันเหมือนเมื่อสมัยก่อนนี้ตลอดไปไม่ได้หรือแกซาสันศีรษะเชื่องชา้าคงยิ้มลมยอยู่เช่นนั้นบางขณะบางโอกาสเท่านั้นและมันก็ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยการเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีด้วยเราจะไม่มีเวลาคุยกันมากนะักจงใช้เวลาของนายหญิงให้เป็นประโยชน์เถิดดีกว่าจะคุยกับแง่ทรายผู้ไม่อาจให้ความกระจ่างใดๆแก่นายหญิงได้เกินขอบเขตเมื่อขอให้แง่ทรายปรากฏภาพให้เห็นแง่ทรายก็ปรากฏให้ได้เห็นแล้วเพื่อความอุ่นใจของหญิงนายหญิงในคืนอันแสนเปลี่ยนนี้เหมือนสมัยที่เราเคยเดินป่าและแง่ทรายเป็นผู้รับใช้ในครั้งนั้น จะไม่อนุญาตให้ฉันคุยอะไรกับเธอมา่งเลยหรือแม้แต่ในเรื่องส่วนตัวของเธอเองจากวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราอาจได้พบตัวจริงซึ่งกันและกันและเมื่อ น, นั้นเราคงมีเวลาได้สนทนากันมากแต่ไม่ใช่ในเวลานี้ถ้างั้นสัญญามาก่อนสัญญาอะไรตลอดเวลาที่ฉันสำรวมจิตเข้าสมาธิและตลอดคืนก่อนตะวันขึ้นจงอยู่ใกล้ๆฉันอย่าไปไหน คอยคุมดวงจิตชั้นไว้ด้วยโดยไม่ให้เตลิดออกนอกทางหรือมีช่องว่างที่จะให้อะไรเข้ามาสิงแทรกแซงได้ฉันกลัวว่ามันตรายหรือวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆจะถือโอกาสนี้เข้ามาครอบงำชั้นและสิ่งที่ฉันอาจจะเห็นนั้นกลายเป็นภาพลวงตาที่ถูกสิ่งอื่นบันดาลขึ้นหาใช่ความจริงในอดีตของตัวเองไม่แงซ า, ายก้มศีรษะลงนายหญิงของแงซ า, ายยังรอบครอบรัดกุมอยู่เหมือนเดิม ตกลงครับผมแงาซายจะช่วยคุมดวงจิตและอินทรีย์ยาบของนายหญิงไว้ตลอดเวลาไม่ให้สิ่งใดมันกล้ำกลายรุกล้ำเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเข้าสมาธิแล้วนายหญิงมองไม่เห็นอะไรก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกันคิดเสว่าชาญบารมีของนายหญิงเองยังไม่ถึงเพราะมันก็ไม่แน่เหมือนกันคนเราเมื่อหลับตาลงแล้วบางทีก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ฝันอะไรเลอะเทอะออกนอกลู่นอกทางไม่เป็นสาระ หลอนหัวเราะเธอยังมีอารมณ์ขันและน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าน้องชายก็มัวแต่หลอกชวนคุยอยู่นี่เองแหละพี่สาวอย่างนี้จะไปเอาสมาธิตั้งจิตสงบลงได้ยังไงเธอต้องไม่สะกดจิตฉันแส้งประดานให้ฉันมองเห็นอะไรที่เป็นความเทศออกไปนะไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นสิ่งสวยงามหรือน่ากเกลียดน่ากลัวสรดลันจวนใจอย่างไร ไม่หรอกครับจะไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายของสิ่งใดทั้งสิ้นเข้าไปมีอำนาจครอบงำนายหญิงได้เลยตราบใดที่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายประทับทรงอยู่รอบกายนายหญิงในขณะนี้เอาละนะฉันจะพยายามทำตามที่เธอแนะนำมาบางทีฉันอาจหลับสนิทไปเลยก็ได้ถ้านายหญิงหลับไปเสียได้เลยก็ยิ่งเป็นการดีเป็นเสียงตอบมาประโยคสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นหล่อนก็ไม่ได้ยินอะไรอีกดวงตาทั้งคู่หลับสนิทลงมือยังคงประสานวาอยู่บนทรงอกกำหนดจิตจมดิ่งลงสู่ผวังลึกปล่อยสมองให้ว่างเปล่าตัดความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงออกไปหมดสิน้นไม่สำเนียกยินยนต์หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบกายอยู่ในขณะนี้โดยสิ้นเชิง